คนเรานะมาวัดนะด้วยหลายสาเหตุเหตุผลก็ต่างๆกันไปแต่ว่าส่วนมากนะหรือว่าจำนวนมากทีเดียวนะมาวัดก็เพราะว่าหวังสิ่งปลอบประโลมใจบางคนมีความทุกข์นะเช่นเจ็บป่วยแล้วก็มาวัดนะมาทำบุญเพื่อว่า บุญนั้นอาจจะช่วยเยียวยารักษาให้หายเจ็บหายป่วยบางคนมาก็อยากจะได้น้ำมนต์นะอยากให้หลวงพ่อนะพรมน้ำมนต์หรือว่าเคาะหัวให้ทุกโศกอุปสรรคทั้งหลายก็จะได้คลี่คลายหายไปบางคนก็เป็นนี่เป็นศิลนนะธุรกิจใกล้ล่มละลายก็มาวัด เพืาอว่าจะได้อาศัยนะภรตะนัตไตราอาศัยบา ร, รมีของหลวงพ่อหรือว่าของพระพุทธรูปนะที่ศรัทธานับถือเช่นหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชนช่วยบำบัดความทุกข์ทำให้ธุรกิจหรือกิจการนะกลับมามีความหวังตั้งตัวได้บางคนก็ไม่ได้มี นะความทุกข์อะไรที่เป็นพิเศษนะแต่ก็มาวัดเพราะว่าอยากจะได้สิ่งที่มาช่วยทำให้เกิดความหวังมาแล้วก็จะได้นะมีความอบอุ่นมีความมั่นใจนะอย่างหลายคนที่มาวัดมาสวดมนข้ามปีนะไม่ใช่ที่นี่ที่เดือนแะล้วก็อีกหลายวัดนะก็มาเพื่อหวังนะว่า สริมงคลนะจากการสวดมนต์จะช่วยอภิบาลปกปักรักษาให้แคล้าคลาดจากอันตรายหรือว่าทำให้มีความสุขความเจริญอันนี้ก็เป็นอานิสงหรือว่าประโยชน์หรือว่าเป็นหน้าที่ของศาสนานะรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยนะคนส่วนใหญ่ก็เข้าหาศาสนาก็ด้วย ความมุ่งหวังอย่างนี้แหละคือมาเพื่อได้มีสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมใจทาให้เกิดความอบอุ่นใจนะหรือว่าสบายใจเพราะว่ามีที่พึ่งนะมีสิ่งที่จะมาช่วยเยียวยาบาบัดความทุกข์หรือว่าทำให้เกิดความหวังในการดาเนินชีวิตบางคนนะก็มีความทุกข์ใจ นะพอรู้สึกผิดนะที่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีกับผู้มีพระคุณหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีนะกับคนรักเช่นบางคนก็ไปทำแท้งนะก็มีความรู้สึกผิดติดข้างใจก็มาวัดนะเพื่อไปจะได้ช่วยนะบำบัดความรู้สึกผิดบางคนก็มีความเศร้าโศกเพราะสูญเสียคนรักนะก็มาวัดเหมือนกัน เพราะว่าเชื่อว่าถ้าได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่งลับก็จะได้เกิดความสบายใจช่วยคลายความเศร้าโศกหลายคนก็มาวัดเพื่อถวายสังฆทานให้กับผู้ที่ล่งลับอันนี้เป็นเป็นเหตุผลสำคัญสำคัญนะที่ทาให้คนมาวัดเป็นเหตุผลสาคัญสาคัญที่ทาให้คนนะไปกราบไหว้นะพระพุทธลูก หรือว่าไปอกราบไหว้หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นภารกิจนะหรือว่าเป็นหน้าที่ของาศาสนาอย่างหนึ่งนะช่วยทําให้เกิดที่พึ่งทําให้เกิดความสบายใจทําให้มีความหวังแม้กระทั่งที่เราสวดมาสักครูเนี่ยนะที่ ข้อความที่ว่าเนี่ยผู้ใดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นไกรยานมิตรผู้นั้นนะก็จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะหลุดพ้นจากความแก่ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็จะหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็จะหลุดพ้นจากความตายผู้ใดที่ประสบความโศกความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเครียดใจก็ จะดุดพ้นจากนะภาวะหรือว่าความทุกข์เหล่านั้นแล้วนะเมื่อเราสวดแล้วนี่มันเกิดกำลังใจนะนะเกิดกำลังใจนะแล้วทำให้เกิดความหวังนะว่าความทุกข์นี้เราจะเอาชนะหรือว่าก้าวข้ามมันไปได้อันนี้เป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งนะของพุทธศาสนานะช่วยทำให้เกิดความสบายใจ ช่วยปลอบประโลมใจช่วยคลายความเศร้านะความวิตกกังวลความรู้สึกผิดนะช่วยทําให้มีความหวังนะในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในะพอชีวิตนี้นะบางทีมันก็ลําบากเต็มไปด้วยปัญหามากมายถ้าเรามีความหวังว่าเออนะความสุขความจเจริญมันจะเกิดขึ้นได้ก็ทําใหนะ้มีเรี่ยวมีแรงนะในการ ดำเนินชีวิตในการทำงานอย่างแล้วก็ตามเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่ใช่มีเฉพาะด้านนี้นะไม่ใช่มีเฉพาะด้านที่ทำให้สบายใจปลอบปรอมใจอีกด้านหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะแล้วก็สำคัญมากกว่าด้วยนะก็คือด้านที่คอยกระตุกกระตุ้นหรือว่าคอยขย่านะขย่าให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตัว ทำให้เราเนี่ยไม่หลงไหลนะไม่เพลิดเลินด้านนี้ของพุทธศาสนาเนี่ยนะจะเป็นด้านที่คอยเตือนให้เราตระหนักว่าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งนะก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บนะและในที่สุดก็ต้องตายนะอันนี้ก็คือด้านหนึ่งนะของพุทธศาสนาที่ช่วย นะกระตุกให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตัวมันเป็นด้านที่คนไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่นะไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรับรู้ว่าสักวันหนึ่งที่ฉันนะจะต้องแก่นะความหนุ่งความสาวก็จะต้องหายไปนะความสุขสบายก็จะหายไปนะเกิดความเจ็บความป่วยและสุดท้ายก็ต้องตาย คนเราเวลาหนุม่มเวลาสาวเนี่ยไม่อยากฟังนะว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก่จะต้องอหนังเหี่ยวนะฟันฟังร่วงหรือว่าผมหงอกนะที่แก่แล้วก็ไม่อยากฟังนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันต้องตายนะแต่นี่คือสิ่งที่นะพุทธศาสนานะพยายามที่จะเตือนให้เราตระหนักนะพุทธศาสนาก็ เตือนหลายอย่างนะเช่นในยามที่เรานะ่มีความสุขความสบายมีลาบมียศมีสารเสริญคำสอนของพระเจ้าก็จะบอกเราว่ามันไม่เที่ยงนะมีลาบก็ต้องเสริมลาบนะมียศก็ต้องเสือมยศนะสารเสริญเนี่ยมันก็มาคู่กับนินทาต่อว่าดาทอ ไอ้สุขที่เรามีมันก็ชั่วคราวนะต้องเจอทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความจริงที่ไม่มีคนอยากจะที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะรับรู้เท่าไหร่นะแล้ควคําสอนของศาสนาจะสอนเรากระตุกเราให้ระลึกว่านะชีวิตนี้นอกจากไม่เที่ยงแล้วยังเป็นทุกข์อีกนะอันนี้คนก็ไม่อยากฟังนะอยากจะรู้สึกว่า จะจะคิดว่ามันเป็นสุขไปเรื่อยๆนะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตเราเลยทีเดียวนะตั้งแต่เกิดอย่างทํ า, าวัดเช้านี้ก็จะได้ยินนะก็จะสวดกันเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแรงเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วแม้วันนี้จะสบายแม้วันนี้จะมีกินมีใช้แม้วันนี้จะมีสุขภาพดีนะแต่ข้างหน้าเนี่ยนะ มันคือความเจ็บความป่วยมันคือความสูญเสียพัดพรากนะอะไรที่เรามีไม่ว่าของรักหรือคนรักวันหน้าก็จะต้องสูญไปนะเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักและเราต้องพัดพลาดจากสิ่งที่รักนี่เป็นธรรมดานะอันนี้คือความจริงที่พุทธศาสนานะพยายามบอกเรานะ บอกแล้วบอกอีกนะคนก็ไม่อยากฟังนะแต่ว่าสําคัญมากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราตระหนักถึงความจริงแล้วก็ไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินไม่ประมาทธรรมดาคนเราเนี่ยก็อยากจะตามใจกิเลสนะแต่พุทธศาสนาก็จะสอนจะบอกกับเราว่าต้องสู้กับกิเลสนะอย่าไปยอมตามกิเลสนะนะคนก็ไม่อยากฟังเหมือนกันนะ โดยเพรา ะ, ะคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวก็จะก็จะถามว่าทำไมนะจะต้องขัดขืนต่อสูก้กิเลสนะใช้ชีวิตไปตามตามสบายตามใจมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พุทธศาสนานะจะพน็อพนอเราพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนที่แท้นี่จะ จะกระตกจะกระตุ้นแล้วจะขนาบนะขนาดเหมือนกับที่ผู้เจ้าตารัสกับพานนวลว่านเนี่ยเราจะทำกับเธอนะอย่างไม่ทนุถนอมนะเหมือนช่างปั้นหม้อทากับหม้อที่ยังดิบอยู่นะก็คือจะขนาบอันนี้พูเจ้านะปฏิบัติกับพระษาวกและคําสัองพระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็จะคอยขนาบเรานะขนาบให้เรา เรียกว่าตื่นตัวและตาสว่างนะจะคอยชี้นะจะคอยชี้ให้เราเนี่ยนะเห็นโทษของกิเลสนะจะคอยชี้จะคอยเตือนนะว่าไอการที่ตามใจกิเลสเนี่ยมันจะเกิดอะไรบางที ก, งก็เอาเรื่องนรกเอานเรื่องนรกนี่มาขู่นะเพราะถ้าเราทำตามกิเลส แล้วก็กลายเป็นผิดศีล ข, ขึ้นมาก็จะมีนรกนะหรืออบายเนี่ยเป็นที่หมายอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของศาสน า, านะของพุทธศาสนาะที่คนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะรับรู้เท่าไหร่ยิ่งคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ที่ลงลึกไปถึงขั้นว่าไอ้ตัวตนเนี่ยที่ผู้คนหวงแหนเนี่ยมันไม่มีจริงนะ ตัวตนที่ผู้คนหวงแหนยึดมั่นว่ารวมทั้งสิ่งที่เรายึดมั่นมาเป็นของกูเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่จะทําให้เป็นทุกข์นะที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นมายาคนก็ไม่อยากฟังเหมือนกันนะเพราะอยากจะเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูเนี่ยมันมันฟังลึกในผู้คนอันนี้เป็นสิ่งที่ฝรั่งเนี่ย นะเข้าใจยากมากหรือก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไหร่นะว่าตัวกูนี่ไม่มีจริงนะเพราะฝรั่งนี่ก็มีความยึดมั่นในตัวกูมากเคยไปสมัยที่อัตมาเคยไปอยู่วัดอามารวดีนะของหลวงพ่อสุเมโทโธเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งก็ยอมรับนวันเนี้ยว่าคำสอน ง, งของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างก็ดีหมดนะยกเว้นเรื่องอนัตตานะ ที่บอกว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันเป็นมายาเนี่ยมันไม่มีจริงต้องละความยึดติดถือมา่ในตัวกูเนี่ยฝรัง่งเขาไม่ยอมรับนะเขารู้สึกกลืนกลืนยากเนะี่ยแต่ว่าคนที่เขาตั้งใจจริงๆนะคนที่ฉลาดคนที่รู้จักหมั่นพิจารณาตนแล้วก็ใคร่ควรกับชีวิตก็จะพบว่าไอ้นี่แหละนะัคือที่หมางความทุกข์นะ ให้ที่ทุกๆทักทุกกันเนี่เพราะว่าความยึดมั่นในตัวกูของกูนี่แหละแต่ก็ธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะมันมีความยึดมั่นในตัวกูสูงแล้วความยึดมั่นในตัวกูทําให้ไม่อยากจะยอมรับว่าเราต้องแก่ไม่อยากจะยอมรับว่าสวันหนึ่งเราต้องป่วยนะพอป่วยแล้วก็จะทําใจไม่ได้ทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะยิ่งทําใจไม่ได้ใหญ่นะเมืออ่อจะต้องตายมันจะต่อสู้กับความตายนะ นัพุทธศาสนานี่กนะ็พยายามสอนนะพยายามบอกว่าให้เราต้องหมั่นเจริญร้อนนัสตินะหลายคนก็รู้สึกว่ามันมันเป็นคำสอนที่แรงไปนะไม่อยากฟังนะอยากจะทำบุญนะอยากจะทาบุญแล้วก็เพื่อว่าจะได้มีความหวังว่าชีวิตจะมีความสุขความเจริญแต่พอพระบอกว่าเนี่ยให้เรารู้ถึงความตายอยู่เสมอนะก็จุดเสียวสัตาน หลายคนก็เรียกว่าเอาหูนะหูทวนลมหรือเอามือปิดหูเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธทานั่งผู้วันเนี่ยว่าคนเนี่ยที่มาศรัทธานะศรัทธาหลวงพ่อหลวงตาเนะเรียกหลวงพ่อหลวงตาเป็นอาจารย์แต่พอท่านสอนนะก็ไม่อยากฟังนะ อันนี้เพราะว่ามันเป็นคำสอนที่มันแทงใจแต่มันเป็นความจริงนะถ้พวกเราเนี่ยที่มาวัดเนี่ยที่เรียกตัวเว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยเวลาเราเราเข้าหาคำสอนหรือเข้าหาพุทธศาสนานเนี่ยก็อย่าอย่าเข้าหาเพียงเพราะว่าพุทธศาสนานเนี่ยช่วยปลอบประโลมใจนะ ช่วยอให้ความหวังกับเราเท่านั้นนะอันนี้ก็ดีอยู่นะในยามที่เป็นในยามที่เรามีความทุกเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันช่วยปลอบประโลมใจได้เช่นไปหาหลวงพ่อนะให้ท่านช่วยลดน้ํามูลให้ท่านช่วยคลายหัวนี้นะเราก็ทําให้เกิดเราก็จะเกิดความสบายใจเกิดกําลังใจนะที่ควรไปหา ห, าหลวงพ่อคุณก็เพรเห็นนี้เพราะว่าไปแล้วเนี่ยนะ เกิดความหวังได้ที่พึ่งที่ช่วยปลอบประโลมใจนะแต่ว่าเราก็ต้องนะมีความเข้มแข็งพอนะในการที่จ ะ, ะน้อมรับเอาคำสอนที่ช่วยกระตุ้นช่วยกระแทกหรือเขยา่านะกิเลส ข, ของเราด้วยอย่าไปมัวแต่พนออัตตาหรือพนพนนอกิเลส ข, ของเรา หลายคนมาวัดเนี่ยนะแต่ก็กลัวนะว่ากิเลสเนี่ยมันจะถูกกระทบจะคอยนะพนนอัตตาจะคอยพนอกิเลสปนเป์กิเลสตลอดเวลานะเวลามาวัดก็นะมาทำบุญก็ภาวนาอธิษฐานขอให้รวยขอให้รวยขอให้มีชื่อมีเสียงขอประสบความสำเร็จนะบางทีพระก็ก็ ตอบสนองความต้องการของเราด้วยเหมือนกันในะเดือนนี้หลายท่านหลายเวลาโย ม, มาวัดก็จะอวยพรให้รวยรวยรวยนะมีแต่สามคำเนี่ยรวยรวยรวยเรียกว่าพนาพน า, พ น, านะกิเลส ข, ของโยเหมือนกันนะโยมก็อยากฟังนะหลวงพ่อที่นะที่ให้พรแบบนี้ใครก็ร่ากลู่เข้าหา แต่ว่ามันจะไม่ได้ช่วยเราในระยะยาวนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยหลงเพลินนะกับกิเลสได้ง่ายไม่ยอมพึ่งความเพียรของตัวในการที่จะกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความภาคเพียงพยายามเวลาเจอความยากลำบากอะไรก็เอาแต่อธิษฐานอ้อนวอนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วย บางทีก็ไปอแสวงหาที่นั่นที่นี่เพื่อจะช่วยสะดอเคราะห์นะแล้วเดี๋ยวนี้ก็งมงายกันมากนะหลายคนพอรู้ว่าพอขึ้นปีใหม่ก็แล้วได้ยินข่าวว่าปีนี้เป็นปีชงนะของคนราศีนั่นราศีนี้แล้วบังเอิญเป็นราศีเดียวกับเรานะก็ไม่มั่นใจนะก็ไปทําบุญสะดอกเคราะหวันนั้นวันนี้เพื่อจะได้สบายใจอันนี้มันก็ดีอยู่นะ แต่ว่าอย่ายุติเพียงแค่นั้นนะมันมีมันวิธีที่ดีกว่านะมันมีวิธีที่ดีกว่ า, นะวว า, าคือการพยายามนะแก้ทุกข์ที่ใจของตัวที่จริงไอ้ปีชงนี่มันก็ไม่ใช่เป็นนะความความคิดหรือคำสอนในพุทธศาสนานะทางพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้เลยนะ แต่ว่าคนก็หลงเชื่อกันมากนะแล้วก็เกิดความไม่สบายใจนะที่จริงแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเนี่ยทำใจกับมันอย่างไรนะแม้ว่าจะมีแม้วเศรษฐกิจจะไม่ดีนะหรือว่ามีความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเราฝึกใจไว้ดีนะ แล้เราเตรียมใจอยู่เสมอนะว่าเออมันเป็นธรรมดานะห้ความเจ็บความปวยเป็นเรื่องธรรมดานะความพัดผ้าสูญเสียเป็นธรรมดาเพราะมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตรงนี้คือธรรมะนะที่มันมีอนิสงส์ในการช่วยปลดเปื้องความทุกข์ของเราได้ดีกว่าคือมันปลดเปื้องที่ใจนะและบางที ไอ้ความสูญเสียความพัฒพระความเี่บความป่วยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นของดีก็ได้นะหลายคนเนี่ยขอบคุณที่เป็นมะเร็งหลายคนขอบคุณที่เกิดอที่ธุรกิจล้มละลายเพราะมันทําให้เขาตาสว่างมันเป็นตัวผลักไสเขามาเจอธรรมะและได้พบสิ่งที่วิเศษนะงั้นพวกเราเนี่ยเวลาเวลาศึกษาธรรมหรือมาวัดเนี่ยนะก็ อย่าอย่ามาวัดเพียงเพราะว่าเพียงเพื่อแสวงหาสิ่งปลอบประโลมใจนะเพื่อจะได้มีความหวังเพื่อได้มีความอบอุ่นใจเท่านั้นนะแต่ต้องมีความกล้านะที่จะท้าทายต่อสู้กับกิเลส ด, ด้วยนะคนที่มาวัดเพื่อหวังความหวังสิ่งปลอบประโลมใจเนี่ย นานเขานานเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่เอาแต่อ้อนวอนเอาแต่อธิษฐานเอาแต่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นงอเมืองอ ง, งอไม้ไม่ทําอะไรเลยแต่คนที่เขามาวัดแล้วเห็นนะนะว่าเ อ, อ้ชีวิตของคนเราไม่มีเที่ยงนะชีวิตเราเองต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะชีวิตต่อไปของเรามันต้องเจอความพัดผ้าสูญเสียมากยิ่งกว่า น, นี้นะ เมื่อรู้เชนนี้เขาก็จะตื่นตัวนะเขาก็จะทําความเพียรนะทาความเพียรทั้งการทาความดีแล้วก็การฝึกจิตฝึกใจเพื่อว่าเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะใจก็จะไม่หวันไหวใจก็ไม่สะทกสะท้านนะหรือว่าฝึกเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงนะของสังขารใช้ประโยชน์จากความทุกข์ นะแล้วคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นนะคือนอกจากจะไม่ทุกข์เมื่อมีความพันผลปนแปรเมื่อเกิดความพัดพ่างสูญเสียแล้วยังรู้จักฉลาดในการใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคือไม่ยอมให้มันกระทําเรานะแต่ว่าเราจะใช้มันนะให้เกิดประโยชน์อันนี้หลวงพ่อหลงปู่เขียนก็พูดเสมอนะว่านักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักช่วยโอกาส นะจุดว่การนี้ไม่ได้ไหมายความแค่ว่าใช้ทุกเวลานะให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมแต่ยังหมายถึงว่าใช้ทุกเหตุการณ์ด้วยไม่ไว่จานะวจะเป็นเหตุการ์ดีหรือเหตุการ์ร้ายนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการ์ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบไม่ไว่าจะเป็นอิทธามลมหรืออนิธาลมนะไม่ไว่าจะเป็นความเสื่อมไม่ไว่าจะเป็นความเจริญหรือความเสื่อมก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ ใช้มันนะเพื่อทำให้กิเลสเนี่ยมันอ่อนแรงลงเช่นเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอนะแทนที่จะทำตามใจกิเลสแล้วก็โกรธคนที่เขาต่อว่าด่าทอนะให้ถือว่าไอ้คำต่อว่าด่าทอของผู้คนนะที่เราได้ยินเนี่ย มันเป็นเครื่องทรมานกิเลสนะเวลาเราดิ้นคำต่อ ว, ว่าดาทอหรือถูกต่อ ว, ว่าดาทอนี่เราก็จะโกรธนะคนที่ไม่มีสติก็จะรู้ว่าก็จะเป็นทุกข์นะแต่ถ้าคนมีที่มีสติเขาก็จะพบว่าเออดีนะมันทรมานกิเลสนะไอ้ที่ทุกที่ไม่ใช่เราทุกข์นะแต่เป็นกิเลสที่มันทุกข์นะตัวอัตตาที่มันทุกข์นะเพราะมันอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนสรรเสริญ เวลาเล่น a ฟ e b o o กก็อยากให้คนกดไลค์นะพอคนไม่กดไลค์ก็ทุกข์ละแต่ถ้าคนฉลาดก็จะพบว่าเออไอที่ทุกข์เนี่ยมันดีแล้วนะเพราะว่าถ้ายังยึดติดในยังอยากจะให้คนชมคนสรรเสริญก็ต้องทุกข์แบบนี้แหละก็กลายเป็นสมน้ำหนากิเลสไปนะอันนี้เรียกว่าไม่พนอไม่พนอกิเลสนะปล่อยให้กิเลสมันดิ้นนะ ให้กิเลสมันดิ้นไปนะถ้ามันพอมันดิ้นไปนานๆแล้วก็มันก็เข็ดมันก็ลามันก็หยุดนะมันก็ไม่ดิ้นฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเนี่ต้องรู้จักนะต้องขวนขวายในการที่จะทรมานกิเลสบ้างนะแล้วต้องทําเพราะฉะนั้นจะต้องทําความเพียร น, นะในการที่จะขูดในการที่จะกรากิเลสนะหรือว่าขูดอัตตานะ สิ่งที่ขัดใจเนี่ยเวลาได้ยินอะไรที่ขัดใจเนี่ยแทนที่จะรู้สึกขัดอกขัดใจรู้สึกโกรธให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มาช่วยขัดใจเราให้สะอาดมาช่วยขูดกิเลสให้เบาบางช่วยขูดกิเลสอัตตาให้เบาบางนะเพราะฉะนั้นสิ่ ง, งที่ขัดขัดใจเรานี่มีประโยชน์นะแต่ถ้าคนที่ชอบพนองอัตตาชอบพนองกิเลสเนี่ยก็จะรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ เขาพูดไม่ถูกหูเขาต่อว่าด่าทอเรานะเขากั่นแกล้งเรานะขัด อ, อกขัดใจเราแต่คนที่ต้องการที่จะนะขัดเกลยตนเองนะคนที่ต้องการต่อสูก้กับกิเลสเนี่ยนะเขากลับเห็นว่าเออดีนะมันเป็นสิ่งที่คอยมาช่วยขัดใจเราให้สะอาดนะช่วยขูดกิเลสให้เบาบางอันนี้ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะ นะักเดือพ่อคนที่เรียกตัวเอว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่มาวัดแล้วก็มาเพื่อที่จะเจอความสะดวกสบายนะมาวัดแล้วมาสบายนะงานการก็ไม่ต้องทำมาหากินนะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันสบายผู้คนก็พูดจาไพเราะนะเท่านั้นไม่พอนะเพราะว่า ทำฉะนั้นก็อาจจะกลายเป็นประมาทได้เราต้องขวนขวายนะในการที่จะนะเขี่ยวเข็นตนเองนะและบางทีก็ต้องขนาบนะขนาบกิเลสนะเล่นงานอัตตาตัวอัตตาตัวตนนะอย่าอยู่นิ่งเฉยนะพอไม่งไนเนี่ยนะพอถึงเวลา นะเกิดความพันปว น, นไปในชีวิตที่แรกมาว่าก็สบายดีนะแต่พอเจอคนพูดจา ก, กระทบกระทั่งก็โกรธก็โมโหหลายคนมาว่าแล้วเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจก็เพราะว่าความฉลาดใจเนี่ยนะเพราะาไม่คิดที่จะเล่น ง, งานกิเลส ต, ตัวเองอยู่ไปแบบอยู่สบายๆกิเลสมันก็เลยพอกพูนอัตตาก็เลยหนานน่นพอมีใครพูดอะไรกระทบหน่อยก็โกรธง่าย เราต้องถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกเรานะเป็นเครื่องฝึกเรานะเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเราเพื่อทําให้กิเลสเบาบางลงให้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําความเพียรกิเลสก็ไม่ใหญ่ทําความเพียรไม่อยากจะอยู่สบายเราก็ต้องฝืนกิเลสอนะย่าไปยอมตามกิเลสต้องขนา นะเล่นงานมันบ้างอันะนี้คาสอนของศาสนานะของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อันนี้แหละนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคอยปลอบประมใจให้เราสบายนะอย่างเดียวมันมีอีกด้านหนึ่งที่สำคัญกว่ามากทีเดียวนะเป็นด้านที่จะคอยกระตุกคอยกระตุ้นคอยขนาบคอยเขยา่านะแล้วเวลาเราเจอครูบาอาจารย์ที่พูดนะ หรือสอนในลักษณะนี้เนี่ยนะก็อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหอย่าหรือว่าอย่าไปอเป็นทุกข์นะให้ถือว่าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเกิดความเข้มแข็งเกิดความเติบโตขึ้นมาแลนะสิ่งเหล่านี้แหละนะที่จะทําให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ คอยแต่ปอบประโลมใจคอยแต่พนอพนอกนะิเลสอัตตาของเราอันนี้มาสบายชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานนะแต่ถ้าเร า, าพยายามเดินหน้าเข้าหาหรือพยายามหรือยอมให้คำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยคอยกระตุกคอยกระตุ้นหรือคอยขนาบนะม่ทำให้เราเจริญเติบโตนะในทาง ธรรมะได้ดีขึ้นสติปัญญาของเราก็จะแจกลกล้าแข็งขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเปิดใจนะเปิดใจนะรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตนะิคำสอนที่ช่วยกระตุกกระตุนนะขนาดนะและบางทีเราก็ต้องทำกับตัวเราเองถึงแม้ครูบาอาจารย์จะไม่จะไม่ดุจะไม่กวดขันจะไม่เข้มงวดกับเรา แต่ที่จริงนะคําสอนของผู้เจา้าเนี่ยนะมันก็เรียกว่าอ่าแรงพอนะสามารถจะกระแทกใจเราได้นะไม่ให้กระแทกใจเราจริงๆมันเปนกระแทกใจกิเลสมากกว่าที่ทําให้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะขวนขวายอยู่เสมออันนี้แหละคือเรียกว่าความไม่ประมาทนะ่ถ้าเราประมาทเมื่อเราเราชะล่าใจเมื่อไหร่เราก็นะก็เหมือนคนตายนะ อยู่ในอำ น, นาจของกิเลสที่จะพาเราสุขสบายชั่วคราวแต่ว่ามีอบายเป็นที่หมายในระยะยาวเอาละก็คำนี้คืพกกุทธทนนี้กราบพระ